ฝ <c oughs> ึตธรรมะเจ้หน่อยก่อนแมเนาะเพื่อใจนี่ประเทศชาติเป็นนี่มากเกินเป็นนี่พวกเราด้วยใม่ครัวไม่ชีพระสงฆ์เจ้าที่ช่วยเหลือพวกเรามา เราช่วยเือหลวงพอ่อหนักที่สุดเลยี <c oughs> ่ปีปีที่สองแล้วเดี๋ยวนี่ก็ยังไม่ได้ไปฉันข้าวที่สลาหน้าแค่จะมาข้าวไปส่งที่กะติทุกอย่างอด้ใช้เพื่อนได้ใช้ เ, เม็ดหมดใชอยาฉันทีละเม็ดนี่ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ตู้บานคนดูแลให้ วเวลาก็มาเองยานี่เลยวมีผู้ช่วยเหลือแล้วก็ขอสอนธรรมะเพื่อใจนี่ทุกคนทุกคนนอกจากนั้นก็ปลูกป่าปลูกต้นไม้ <c oughs> ยังไม่คุ้มดอกก็เพิม แต่ไม่คุม้มนี่อีกสิบปีจะคุ้มหรือเปล่านะถ้ามีอายุสิบปียี่สิบปีจึงจะคุ้มกับความเป็นนี่หลวงพ่อ น, น่าเกินแล้วก็แตฟังแล้วฟังก็ไม่รู้แต่ว่าหลวงพ่อตั้งใจที่จะพูดความจริง พูสิ่งที่มันถูกต้องไม่ได้พูดสิ่งที่ถูกใจพูดในสิ่งที่มันถูกต้องโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นความผิดเห็นความถูกทุกอย่างรสชาติของโลกบาะที่เรายังไม่เห็น มันก็เกิดขึ้นเจอเราเราจึงค่อยเห็นมันบางทีเราไม่รู้บางทีมันเกิดขึ้นเจอเราเราจึงรู้จักมันสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ก่อนเนี่ยไม่รู้เหล่านี้ี่เรออีกเมื่อไหร่จึงจะรู้มันเช่ไม่ได้เลยอาจะลงโทษเราแตยังเป็นเรื่องรีบด่วนจักหน่อยในการมาศึกษาธรรมะเนี่ย เราดเดินท่องเที่ยวไปสงสารเปรนเทศกัชาตินักไม่ช้วนแต่ระชาติยาวเหลือเกินเช่นการติดอะไรมาวิ่งไปตามความรักวิ่งไปตามความชังวิ่งไปตามความปัสภาวจากหองลักของอกใจวิ่งไปตาม อะไรต่างๆมากมายหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มีวันนี้เรามาปฏิบัติเป็นการทำให้ภบชาติมันน้อยลองเหลือหมดไปเจนวม่ามีพบชาติชีวิตเป็นของส่วนตัวจะหวันแดงไปให้ความรักให้ความชัง ให้ความโลภความโกรธความหลงให้ความได้ความเสียความสุขความทุกข์ถูกแป่งไปหมดเลย <c oughs> เสียเวลาจึงเป็นเรื่องกระตือรือร้นมากการปฏิบัติธรรมนะพระบานก็ได้พูดถึงการดำเนิน ชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางทางเดินของชีวิตไม่ใช่ทางเดินไม่ใช่ทางเดินของแผ่นดินชีวิตเราก็มีทางเหมือนกันเดินไปสู่มรรคสู่ผลเกิดปัญหาปลายทางที่สุดเห่งปัญหาที่สุดแห่งทุกข์ท่อง่วง เราก็ได้เรียนได้รู้อะไรมาเยอะๆไปหมดเลยวารสอนพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่เป็นการรู้จำมามากแต่เป็นการที่พบเห็นริงใดที่พบเห็นจิงนันก็ตอบได้เฉลยได้ ไปพูดถึงตอนขันทังอะเมื่อวานเนี่ยเราจะพูดต่ออีกสักหน่อยเพราะสาขันขันหน้านเป็นชาติสุดท้ายสุดท้ายของชีวิตเราอันตั้งแต่เจริญสติมีสติดูกายดูจิตมีสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยอันเป็นส่วนประกอบ นึกกระโครงสร้างที่ง่ายนั่งลานเพื่อจะเทพื้นสูงสูงเพื่อทำได้เช่นเขาสร้างสะพานเขาต้องทำที่นั่งลานหรือที่วางลูกตุ่มปีตอกเสาตอกเข็มการที่จะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง บางทีเราเอื้อมมือไม่ถึงไปทำเลยไม่ได้ต้องเริ่มต้นเหมือ น, นทางขึ้นเขามาบ้านเราเนี่ยเจก่อนมันชันมีหน้าผาไม่ขึ้นมาได้ก็ทําให้มันลาดเจก่อนจุดหมายที่จาทางไถ่ก้อนหินไม่ใช่ไม่ใช่ปลายทางเป็นการเริ่มต้นไถ่ก้อนหินใหญ่ๆแล้วพ่อเคยไปเสวียทางกับพ่อเปรม เนะพอเปลี่นเนะนนั้นก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเราจุดหมายปลายทางคือเนี่ถึงที่นี่แล้วถึงที่นี่ได้แล้วแต่ก่อนคนพิการนี่ไม่มีโอกาสมานี่เลยหรอกเดินไม่ได้อก็ แล้วก็ทำทางซะให้มันสะดวกทุกคิวิตยะบางควิตสมัยก่อนโอ้ยลำบากเห็นชาว่านถาบข้าวขึ้นเขาเขาเดินทางไปงด้วยกันแขนจนไหม้ขึ้นทางมันจั น, นแขนขึ้นแรนบอกแมงเพี้ยนแขนขึ้นอ้าบดันขึ้นไป <c oughs> หลวงพ่อก็อืมันยากลำบากขอโยมนะไม่หลวงพ่อหางาบดูชิดมันจะขนาดไหนเลยก็หางาบข้าวกั็พอเขาก็ไม่ให้หบโอ้ยไม่หาบเราหลวงพ่อหางเองหางเองไม่ไม่ได้นะหาบต้องเล็หน่อยแต่นะขอเขาทําดีทำอะไรเขาเลยปองหางาบข้าวหาบเออหางข้าวเป็นเขา สมัยก่อนโอ้ oh. ก็พอสมควรลำยากในการหาข้าวเึ้ื่อนเขานะ่าได้ไปขี่รถตัวแล้วตัวนี้ไม่ต้องหานั่งรถมาเลยหรือไม่ต้องนั่งรถข้าวมาถึงบ้านหน้าบ้านเราแต้ก็เราไปส่งรับผิดชอบ้าวบ้าน ก่อนที่จะได้ข้าวมากินไหนําหรับจ้างด้วยง่ายข้าวกระสอบดังเขาเอาเปรียบเราที่นี่ถ้าอยู่ข้างล่างเขาสามร้อยบาทอยู่ที่นี่ก็ามาขายแปดร้อยบาทงานว่าพ่อเป็นพ่อก็เห็นโอ้ยมันไม่เป็นธรรมนะจะทํำไงเนาะชาวบ้านจะซื้อข้าวกระสอบละสามร้อยบาท ต้องมาตั้งสะก้อนข้าขึ้นแทนที่เป็นเงินสิบาทเื้อข้าวสิบบาทเงินร้อยบาทเชื้อข้าวได้ร้อยบาทสะก้อนไม่กันร้อยบาทต่อไปเชื้อข้าวไปห้าสิบบาทอีกยี่สิบบาทสามสิบาทเป็นค่ารถมาถึงจีนเขาอีก ยี่สิบบาทร้ทางคนหาบขึ้นมาหาบขึ้นเขาแล้ววันลุขึ้นจะไปะทำงานไม่ได้เลยต้องนอนพักก่อนก่อนปวดขาล้าแช่งเก็บเวลาเลยให้เรามาคิดดูก็บุกเบิกตั้งสกวาข้าวได้สำเร็จ <c oughs> อันนี้ก็ ของยากถ้ามาง่ายขึ้นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันของเนี่ยมันสูงทามามันต่ำลงมาได้ของเนี่ยมันชันทามันลาดมาได้มันทำถนนหนทางที่สุดหมายปลายทางคือขันธ์หน้าเป็นของสูงคนรู้ด้ยา ก, กรูไดายากไม่อยากรู้เลยเอบไป อย่างเราสวดตอนตอนเช่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเป็นภาษาโลกแก้วคนทองก็ได้ไม่ถึงไม่ลงตัวยังจะเอาอยู่ยังจะความ ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงยังจะเอาความไม่ใช่ตนโตตนมาเป็นของโตตนเกี่ยวข้องกับลูกเอามาเป็นข si องโตตนเกี่ยวข้องกับเวทนาเอามาเป็นตนเรเกี่ยวข้องสังขารมาเป็นตนเกี่ยวข้องกับวิญญาณเอามาเป็นตนทั้งหมดไม่ลูกไม่ลูกแจ้งสิ่งที่ความไม่เที่ยง กลายเป็นของพึ่อฝาเสียได้สิ่งที่มันเที่ยงมันก็เลยลงโทษเราคนนี่เป็นทุกข์เพราะความตู่เอาความไม่เที่ยงให้เป็นของเที่ยงเป็นทุกข์ตูความไม่ใช่ตนให้เป็นของตัวของตนก็เลยเป็นทุกข์ออกมาอยู่คนที่สุกับพลาดตรงนี้กันเกือบทุกชีวิตเลเกิดมาในโลกเนี่ย ลว็พ่อเคยเคยใช้ได้มากที่สุดเลยอันขันห้าตนนัวแนวอยู่กับความไม่เที่ยงอยู่กับความเป็นทุกข์อยู่ความไม่ใช่ตนเวลาใดที่มันแสดงออกบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วความไม่เที่ยงก็รู้แล้วรู้แต่กับหลวงปู่เถียนสี่สิบปีมาแล้วความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วพึ่งพาอาศัยความไม่ทุกข์ พ้นจะกความไม่ทุกได้เพิ่งพาใสความาเที่ยงพ้นจะกความไม่ทุกได้นิพพานอยู่ที่นี้เย็นอยู่ที่นี่เตาหลอมเด็กเันร้อนแต่ไว้ยเ้นอยู่ในเตาหลอมเล็กได้ไม่ยากเช่นผมบางภูเขาพวกเราก็ปฏิบัติกันมา หลายปีมาแล้วอยู่ด้วยกันมาพ็เป็นแม่เพียนแม่ดวงจนันแม่อะไรแม่ชีแม่อะไรหลายอยูย่นี่บ้านเดียวกันบ้านคนละบ้านก็ตามคงได้ยินในคาสอนพระพุทธยาเ <c oughs> พราะเราได้ศึกษาเราเรียนได้ฟังเข้าวัดจำถิ่นปฏิบัติสวดมนต์สาธยายมาแล้ว แต่มันไม่รู้หรอกเวลาเรามาปฏิบัติเป็นอยเห็นไม่ใช่ความรู้มันเห็นเขา้ามันพบเห็นเขา้าตอนที่อยู่กับภาวะอันนี้น่มันมีความผูกใจเห็นผู้คนเืินเกาะกระจกน้ำตาร่วงเป็นแถวหลวงพ่ออยู่ห้องไอซีอ้า พอเลินตาขึ้นดูห้าห้องเห็นคนมาเกาะกระจกจางตาร่วงกันหลายคนในเพียรเนอะอ๋อโอ้คนมาล่องให้กับเราหรือเราป่วยเลยเนี่ยเราเจ็บเราจะตายหรือเนี่ยมาหน้าห่วงเราเลยพูดไม่ได้เลยเอาปากกาคนหงอกาคนเอากระดาษมาเขียน หนังสือถ้าบอกหมอของพลว่าหมอของพลหลวพ่อเขียนไปว่าเวลานี่ไม่ต้องห่วงหลวพ่อหลวพ่อมีชีวิตส่วนตัวมากที่สุดเลยไม่เหมือนอยู่วัดเยววัดต้องแบง่งประสบการณ์กับผมวงพ่อเทียนในะเรื่องนี้มาสี่สิบปีนั้นเป็นวันนี้ของเรา บอกของขงพะมันเปิ ang, นวันนี้นะเพราะอะไรเพราะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นความเป็ทุกข์เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ช่วยเราเอาจริงๆเอาความไม่เที่ยงมาช่วยเพื่อให้เกิดหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเอาจริงๆเอาความเป็ทุกข์มาช่วยพ้นจากทุกข์เอาความไม่เที่ยงมาช่วยพ้นจากทุกข์ พูดจากการเกิดเจ็บเหตุตายได้เลยจริงๆอ่ะตรงนี้มาดับตรงนี้ได้มาเหนือตรงนี้ได้เหนือเกิดเจ็บเจตตายเขาคือรู้เรื่องแจ้งรู้แจ้งเรื่องขันหน้าเน่ยนี่ปฏิบัติธรรมวันอยู่ที่ไหนไม่ต้องใช้หัวคิดปัญญาเหตุผลเป็นการปฏิบัติ โดยแท้ๆนะมามีสติเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวน่ะเห็นไหมความไม่เที่ยงเห็นไหมความไม่ทุกโยเยไปหมดเลยอะไรประจําบางคนอาจจะไม่เคยพัดพลาดจากของรักของชอบใจบางคนอาจจะเคยพัดพลาดจากของรักของชอบใจแต่เป็นทุกข์เพราะดังนั้นมากไอ้เพียอนไหนที่คิดถึงพอใไงหาน้อ ไอ้เขียนที่ถึงไปหาเนะาะฮอที่ถึงไอ้เกียที่ีมันตายไปแล้วแม่ดวงคงคิดถึงพอสุภาพเนาะคิดถึงพอสุภาพย่ำเลยเสรยวใจเห็นไ่มอ่าก็ อ, อยู่ร้วกันนั่นแหละเราเห็นแต่เราไม่ดูเจนเอาความไม่เที่ยงที่จากกันไป มาเป็นตัวทุกข์การที่จะมีปัญญามันมีไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นปงบองภูเขาเอาเช่นผมออกซะเห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาแป๊บเดียวเห็นความทุกข์เป็นปัญญาแป๊บเดีย ว, นนญญยวโอ้ยมันพ่นตรงนี้ไม่ใช่พ่นที่ไหนมันพ่นอยู่ตรงนี้นั่งอยู่บ้านก็พ่นได้อยู่ที่ป่าที่ดอนที่ร่มที่ไหนก็พ่นได้ ความอันเนี้ยมันเห็นอยู่มันมีอยู่ทุกคนไม่มีใครที่เว้นได้ความไม่เทื่ยงความเป็นทุกข์ก็มไม่ใช่ตัวตนน่ะมันไม่อยู่อะและแน่นอนอ่าอย่างที่เราพิจารณาสังขารอนนเนจาสังขาราสังขารคือร่างกายจิตใจแ ล, ล่โลกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งทิ้น มาไม่เที่ยงเกิดกันแล้วดับไปในแล้วหายไปแน่นอนแต่สังขาราตัวค่าสังขารคือร่างกายจิตใจเอะลูกทำนามทำทั้งหมดตั้งขึ้นมันเป็นโทษจนยากพเพราะเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บใจไปแต่เพชรมาอนัตตาถึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดตั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราวะไปบ้าปอปอเมอะทุกวังคิดตังคีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุวังคิตังความตายออโอ้ยลืมแล้วว่าใจต่ืทุกวังคิตังจำอะไรจำไม่ได้ ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตตังเมีนจต่างชีวิตเป็นของไม่เที่ยงว่าแนังเมนต่งความตายเป็นของเที่ยงเห็นไหมเนมอบอมีผู้เลปูย่าตายงายพระแม่ก็ตายไปแล้วมอเที่ยงชัหน่อยเอ้ยที่หลักนที่เฉียดใจจูน้อกับลูก ห้ักมากท้ายเท่กันไหมชีวิตตัง้งเมย์นี้ตัง้งชีวิตเป็นของไมยเที่ยงมาเรื่องังเมยนี่ตัง้งความตายเป็นของเที่ยงวัตถะควรที่จะสังเวชอายางกายโยู่ร่างกายนี้อยีรังมิได้ตั้งอยู่นานอยีรังนี้ตัง้งอายางกายอยู่ขั้นป่าจิยักวิญญาณอันเขาทีงเสียแล้วจะนอนทับแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ท่อนเปิน้นอ่ประโยชน์ไม่ได้รู้อยู่สวดกันอยู่แต่ว่าเอาเนี่ยมาเป็นทุกข์ทำไมเพราะอะไรไม่เห็นแจ้งไม่เห็นแจ้งตามก่อนไมจริงเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางเมื่อลงที่ตรงนี้ปิดฉากกันตรงนี้กันวิธีปฏิบัติที่เราทำเนี่ยนะเอาของจริงมาลูกมาเห็นกันแต่พิเตอรอไปตั้งแต่ กจยานุปั จ, จ น, านาปัจนาปัจนาจิตาปั จ, จนาทำงานปั จ, จนานะอามารูปไป้ไปเห็นตูเห็นน้เามน่อกีว่าอนกทนาน้ำทำทั้งหมทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ ต, ตนตะนูอยู่แต่เราก็เสียวเวลากับความไม่เที่ยงอามาเป็นทุกข์เสียเวลาความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์เสียเวลาความไม่ใช่ตนมาเป็นทุกข์มากที่สุดเ เมื่อกว่าอย่างอืง่นไม่รับไม่ยอมรับไม่ยอมรับพอมาเห็นเขา้าโอ้ยพอเห็นแจ้งน ว, ว่าลู่แจ้งนี่คือวิปัสนาญาณญาณด้วยแจ้งด้วยยิยนญาณด้วย ถ้าเปนยานก็เป็นญานใหญ่ขนส่งขนส่งธรรมะข้อเนี้ยเป็นญานที่ขนส่งเราช่วยคนอื่น ไ, ได้ช่วยตัวใครตัวมันที่ปัญนายาณเนี่ยไม่มีใครช่วยกันได้ให้เหมือนรถเหมือนเหมือนเครื่องบินไม่เหมือนเรือแั่นั่นช่วยกันได้ อันที่เจ็ดที่แปดหลวงพ่อจะไปนั่งเคงยมีนไปเชียงใหม่เขาก็ช่วยจองตั๋วเครื่องดินให้ยุสิบห้าก็กลับมาเขาจองตั๋วเครื่องดินได้คนอื่นช่วยได้แต่ว่าอันวิปัชนนายัเ น, นี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เลยจึงต้องเป็นจึงจะเป็นต้องบอกต้องพูดให้ฟังจำแล้วจําอีกเขาว่าอยู่นี่ะ มันแหลกไปเลยรูปทำนามทำกายวินาจิตทำกายรูปวิชาสัญญาสังขารวิญญาณเอามันแหลกกันไปเลยสมุติปรละสมมติปัญญประมัด จ, จัดจัะให้มันเห็นให้มันออกมาให้มันออกมาเหมือนแม่ชีขั้นน้ำบอบก โบโบกเนีย่ยโบโบกเนีย่ยเจอเราขั้นมันก็เป็นน้ำใช่ไหมแฉลบขี้แฉลบเป็นน้ำเมื่อมันใส่เครื่องปรงเครื่องแตงแบบมันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้คือมันกันเอาไปมาการเปยปัดธรรมทีเท่เราเห็นนะเห็นสิ่งที่มันไปเที่ยงมันเป็นมักเป็นผลเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันเป็นมักเป็นผล แต่สิ่งที่ไม่เชื่อใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นมรรคเป็นผลเอาของทิง้งมาเป็นของที่ใช่ได้เอาทิง้งแต่มันใช่ได้มันใช่ได้เพราะเอาทิ้งงั้นไม่ใช่ได้เพราะเอายึดไปเข้าใจว่าพอย่างเดียืเอา้าบอกไไอบไเนาะหลวพอเนาะเอาทิ้งแบ้วไม่ใช่เลยหรือ นั่นแหละมันใช่ได้เอาทิ้งหายใจไม่ได้อุย้ยไม่ต้องหายมันละใจเนี่ยทำไมเอาทิ้งสะกรูปเนี่ยมันต้องหายใจเข้าหายใจออกรูปทุกหายใจเท่านี้เองเอ้ามันอยู่ตรงนี้หรือจันมันยากเลยขนาดเนี่ยมันจะยากก็เลยเอาทิ้งไปซะเอาทิ้งเลยนั่นน่ะเอาทิ้งน่ะมันใช่ได้คร แต่ไปยืดไปโอ้ยตายเถอะๆงันเราเข้าจกาเจริการสอนนะป่ะอ่าตือก้าดมากเลยตอที่งปับ๊บก็อยู่อา้าเมื่อเราทิ่งเราไม่หายใจทาไมอ้าอยู่ตรงที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าเอาอไรเพราะอะไรจึงทาเลยเพราะมันไม่เที่ยงเราไปไปยืดเอาความไม่เที่ยงเราไปไปยืดเอาความทุกข์หายใจไม่ได้ไปทุกข์ไหม โอ้ยสุดยอดเลยฮะอะไรที่มีค่าที่สุดคือลมหายใจเอาจริงจริงแล้วค่าไม่อยู่ตนั้นจะหมดค่าก็หมดตรงนั้นชีวิตเราเราหวงไหมค่าไม่อยู่ทรงนั้นเอาทิ้งเลยนะเอา้าวอะไรเป็นค่ามากชีวิตเราไหนะขามาเอาเงินให้สามล้านมาตัดคอเราเอาไหมโอ้ยไม่มีแก่ ค้ามอยู่ตไหนตัดแขนได้ไหมล้านหนึ่งพ่อเปียนบ่ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอโตัดขาได้ไหมให้สองล้านตัดขาไม่มีเจ้าหรอกข้ามันมากเกืออะไรมีค่าจุดกว่านั้นหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ขาไม่ใช่คอไม่ใช่แขนมันคือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเกิคือชีวิตเราเนี่ย มันอยู่ตรงนี้ป่ะอู้ของที่เราใช่มันมันใช่ไม่ได้เอาทิ้งเลยเพราะเอาทิ้งแล้มันดีขึ้นมานะทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะเคยประสบกับตัวเองคงไม่มีใครประสบเหมือนหลวงพ่อก็ได้นั่งอยู่เนี่ยนะงานบ่งานบ่เคยหายใจญ่บ่เลยบ่ทีแจ๋วทีน้อยไม่เคยหรอกหลวงพ่อเคหายอยู <c> ่ <oughs> อ่าโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดความไม่อ่ามีตัวมีตนหมดเลยตัวไหนเนื้อเกิดเหนือแจ่เหนือเจ็บเห น, อเเนือตายเพราะเรื่องเหล่านี้เลยไปใช้เอาลมหายใจเป็นการตายเอาลมหายใจมาเป็นการไม่ตายเอาทิ้งไม่ต้องหายใจเอาทิ้งมันก็ไม่ตายถ้าเอามันตายนะ พรนั่นสิ่งที่ตายเอาจริงที่ไม่ตายไม่เอาเอาพูดอะไรแบบนึงมันมันก็ต้องพูดหล่ะฮะถ้าไม่พูดอย่างนี้ใครจะพูดล่ะไม่เคยได้ยินสักทีไม่เคยยินใครพูดเลยพูดเองรับผิดชอบนะเรารับผิดชอบถ้าว่าอาจารย์ขอเทปบันเทกเทไปไว้เอาไปกินได้รับผิดชอบไม่ีใครมาถามจะรับผิดชอบเอยง เรื่องนี้นะก็เหมือนแก่แล้วแก่บ้างเจ็ดิบกว่าไปพูดที่ไต้หวันเป็นมาในเรืออาพอพูดแล้วเขาเพ่มคิดแก่พระไทยไปตั้งห้องสมุดสวนโมกอยู่ที่นั่นแล้วเลยมาเยี่ยมเขาเขาก็เอาหนังสือคิดมาอ่านกุ้ยหลวงพ่อ หลวงพ่อพูดเนี่ยอันตรายต่อหลวงพ่อนะหลวงพ่อยังหน่มอยู่ถ้าอายุเกตีปีแล้วพูดได้เขาเอาเขาว่ายัางไงเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระละหันเนี่ยเอา้าผมไม่ได้เป็นพระละหันผมพูดเฉยๆอันและเขาเขียนอะ่ะอ่าเป็นอันตรายส่หลวงพอ่อหลวงพ่อยังหน่มอยู่ถ้าแก่ๆพูดแล้วไม่เป็นไรอ่ะผมจะไปขอปรึกษาคนที่ฟิลหนังสือเนี่ย พอาพียงาษาจีนแลวก็หลวงพ่อก็กลับไปปฏิบัติเองทีววไไ่วัดเจ้าแม่กวนดินเคยไหมเคยไปไหมอาจารย์อาจารย์เคยวัดเจ้าแม่เคอยู่หลวงเคยอยู่อจรยไปถามกรรมการกับพวกคุณพิมพ์หนังสือโกจาหลวงพ่อเป็นป้าอันเลยเขาก็บอกใช่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อพูดวันมันเป็นอย่างนี้ แล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนพวกผมรับผิดชอบเองเราไปทรอนทีมเขาบอกเขารับผิดชอบอไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแลมันนีเจอแล้วเกติ ป, ปีแล้วอ๋อของคูณได้เหรอพูอะไพูดจากนี้ไม่ใช่คุยโม่อโอวดพูดความจริงสู่กันฟังไม่ต้องกลัวไปใเคพูดในถูกใจฮะ ผู้ตกใจเนี่ยเว้ยมันทำไม่ได้หแรบบอกฮะพวกเขาจะไม่ศรัทธาเราอ่าเจะเลื่อนพรญาติโยมทําบุญทำทานกุศลผนทานรักษาเีษวันพระวานศศษมาไหวพระสวด น, นพูดไม่เป็นเขาบอกไงพูดไม่เป็นไม่พูดจริงจริงอะนีถ้าบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้ได้เท่านั้นกลับทําอย่างนี้หรืออย่าง น, นี้กลับ อ่ า, าพูดไม่เปลี่ยนเคยพอเคยได้ยินมันฟัวอัววัววัวไ อ, อมีแ ต, ต่อนอย่างนีและมีแ ต, ต่ออันกันอย่างนี่ลแล้วแล้วแต่ใครจะศรัทธาแล้วแต่ใครจะไม่ศรัทธาอาพคนเดียวเนี่อ่าไม่ใช่จเจริญท ร, รเจริญพรนั่งเทียบตัมมอบตอบขาอ่านั่งยอกยอกบดลพกคณบดได้ แต่ว่าไม่ใช่หลวงพูนนะหลวงพกนท่านดีวิเศษหลวงพ่อนี่โอ้ยไม่เงอนหลวงพ่อคนวันนี้ก็มีโยงขโมยนิมน์ไปเทศที่กรุงเทพหลวงพ่อก็นั่งยองยองพูดกับเขาอาจารย์โกชินก็นั่งน่งต่ำหมอะตอกขาหลว่อนั่งยองยองูอาเดยมาถือเอาอออะไรนะ หลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อหลวงตาทำลานอลยูะแล้ใช่อะไรชื่ไหนเหมือนยาตเหมือนยมปวดขาปวดแขนเจ่าเท่าเท่าสลาหวานการจะให้หลวงพ่อนัง่งหวอนจานก็สินก็นั่งไม่ได้แต่นั่งไหมนีเนาะนั่นงจยองตีกบกบอย่ามาถือสาหาสั่งอะไรกันนเพราะนั่ น, นะกาก็ดำ นกตัเวเบาก็ดับอะไรที่จะเป็นเสียงกาเสียงนกตัเวเบาต่อเมื่อมันร้องจึงจะร ว, ว่ากาล่องกากานกตัวเากาเบากาเบาเห็นไหมว่าตัวดำเหมกันไหมว่าสีดำเหมือนกันคนเราก็เหมือนกันต้องฟังดูก่อนเห็นกันอย่าพึ่งจัดทา่าเดินย่องย่องย่องย่องไปเบนตาบาดหลับตาไป ไม่ต้องย่องไปธรรมดาไปว่าเห็นรถปากว็าวิ่งข้ามถนนเลยไ ม, ไม่ไม่ต้องเดิน ย, ย่องต้องต้องต้องดีบสักหน่อยธรรมดาธรรมดาเรืหนูเรืเรตาดูหน้าดูหลังไปเวีนทว่ า, าตามทํายังไงก็อย่าให้ติดกันเกินไปห่างกันพอถ้าควายมันชนกันมันไล่กันมาให้มันผ่านแถวได้หรือขนผู้ไร้มันวิ่งมามันเดินวิ่งตัดแถวได้ เพราะจะไม่ชนเรามีช่องไว้ไตามทำไนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมดาธรมรมาแลละพวกเราฟังเอาฟังแล้ว อ, อไปทําดูให้สอนให้ท่านศรัทธาเรื่อมใสมากราบมาไหว้บอกแล้วพูดได้ฟังแล้วไปทําดูไปทําแบบไหนคนนี้แหละยกมือสร้างใจ้หวอย่านี้ เดินจังกรอยู่เนี่ยให้มีสติรู้ไหมสติเอามือวางไว้เข่ารู้ชีมือเราอยู่ตรงไหนทุกคนรู้ตัวมืออยู่ที่เขา่าตะแคงรู้ไหมรู้นั่นแหละสติเอาตัวนี้เอาตอนนัว น, นี้ให้ทนนําตัวนี้ให้สร้างตนนัวนี้สร้างตนนัวนี้ทำไปทําไปแล้วยายเช่นอย่าขึยามย่าละ้ะเป็ดระวังเกินไป ถ้าวางเกินไปอยู่กับสติดูตรงไปเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นอ่อนแออินทรีจะไม่แข็งอิงทีจะไม่แจกว่าอ่อนแอไปเลยแต่เท่งดูโย่ก็อยากพูดกับใครสนองระวังเกินไปไม่ดีนะอ่อนแอไปเลยกลายเป็นคนอ่อนแอหนีสังคมไปเลยไม่พูดไม่จะบ า, างทีก็เพียนไยก็มีนะ อย่าไปทำแบบนั้นนะเที่ยนไปก็มีแต่ว่าไม่ไปเลยแหละมันคืนมาอ ย, อยู่มันก็หมดอารมณ์นั่นมาหมดไปข้ามอย่าไปเพ่งเหมือนกับเมื่ก็มีเล่าระวังกันไประวังนะเดินไปตน้นนี่ผีหลอกเยอะน่แนนะ่พอเพิ่มเดินไปต้นเปียใหญ่สองต้นมีผีหลอกอยู่นะพอเบเดินไปแล้วบังระวังแค่ไอ๋อผีหลอกโดมีผีหลอกด้วยพออะไร ตกเขกลงมาโอ้ยผีหล่อๆเราวิ่งนี่เลยมันตกใจง่ายมันตื่นเต้นมันตื่นง่ายระวังเกินไปให้มันกันลอาพ่อนี่แะตัวการระวังเกินนั่งจานแก้วเนี่ยเห็นเนน้อยมาตีละครงมินแต่ว่ายังตื่นเลยเห็นอยู่ก็ยังตื่นมันระวังนเป้งเลยเลยุบขึ้นมาโอ้บเฮ้ยทำไมังตื่น แล้ววังเกันไปไม่ดีท้องธรรมดาธรรมดาวางตาวางหูวางจมมกครื่งกาใจพอดีพอดีมันมีที่วางเหมือนกันใจก็มีที่วางตาก็มีที่วางหูก็มีที่วางพอดีพอดีอย่าขึงเครียดจะย่อหย่อนอ่อนไว้ไปตามอาการต่างๆธด้ต้องพอดีพอดีมีสตินี่แหละถูกต้องที่สุดเลย นี่เรพูดจ ก, กันฟังคนละเล็กคนละน้อยอ่าก็ให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้ได้ยินแล้วไม่ทำก็ไม่ว่าถึงเวลาถ้าจนมาอาจจะาไปใช้ได้เลยแต่เขาจนเดี๋ยวนี้ยังไม่จนยังหายใจไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาหายใจไม่ได้ยังหายใจได้ทุกคนอยู่ เราถึงข่าวหายใจไม่ได oh, ้ย oh, right. The ังไงโอ้ยพิงมาที่หลวงพ่อบอกว่าเอาทิ้งซะเอาทิ้งซะเอาทิ้งไงทิ้งเอาลองทิ้งดูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นผูกเป็นคนไม่เป็นหลงพ่อคำเขียนไม่เป็นอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยทิ้งไปเลยจนมาตั้งธาตุใหม่จริง เอาคิดขึ้นมาโอ้ยนะพอทิ้งไปแล้วมันมีอะไรละ่ะมันโอ้มันเหลืออยู่ธาตุนั่นน่ะอันนี้นิ้วมื อ, อยังกระเดกได้นอมันมีธาตุนะมีธาตุเดินน้ำล้าไปอ่ะมีพยาบาลมาบอกว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอว พ, อพอ่ไม่ขับไม่ถ่ายมาได้สี่วันแล้วหลวงพ่ออย่าไปกั้นนะมันทรมานใจเอ้าสี่วันอะไรอ่เอทรมาณใจเดือ มันมีอะไรล่ะเอาทิ้งไปแล้วโอ้มันมีธาตุเดี่ยวไปดี๋นี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาเอาเคลืนมาเอาค่อยเอาเคลืนมาะเออเอาทิ้งไปแล้วมาตั้งธาตุม่เป็นคนใหม่ก็เนี่ยเป็นคนใหม่เป็นลูกของจุฬาเป็นลูกของหมอเป็นลูกของแพบา์เป็นลูกของโรงวยาบจุฬาลงก่อนเห็นหมอเห็นแพทย์เห็นเนี่ยวเห็นทุกคนนห็นทุกคนทุกคนบ้านเราก็มี นอนอยู่โรงบาลเห็นหน้าพ่อเป็นเห็นหน้าแม่เพียนแม่ดวนแม่ชี้หน่อยแม่ชีเดีย๋ดยวโอ้ยวันนี้ของใหญ่อยู่วัดอู้่แล้วเย็ยนนะก็เอาชีวิตมา <c oughs> เอาเกิดมาเกิดมาโอ๊ยเอาชีวิตขึ้ น, นลำบากลำบากถ้าปล่อยไปสบายสบายสบายที่สุดไม่ต้องเกิดเลยสบายสบา เอาอย่างนี้เพ้อถ้ามันหายใจไว่าเข้าปหาตัวหนึ่งเอาเท่งเสะรูปเนี่ยมันหายใจเข้าหาจใจรูปมันไมเที่ยงรูปมันเป็นรูปอย่าไปถนอมมันเกินไปเมื่อเราทิ้งมันดีของทิ้งมันกลายเป็นของดีถ้าเหมือนไม่เหมือนทิ้งกระดาษทิ้งแก้วแต่ทิ้ ง, งขยะไม่เหมือนการเอารูปทิ้งมันไม่เป็นขยะ มันเป็นมรรคเป็นผลจำไว้นะถ้าไปถนอมมันมันเป็นขยะมันเน่ามันเป็นเศษอะไรไม่มีค่าเลยของที่มันไม่ค่าพอเอาทิ้งรูปอันนามเนี่ยอันนามเนี่ยก็ไม่มีละไม่มีเลยละทิ้งไปเลยมีแต่หายตัวไปเลว่าจากความหมายของมโตัวตนได้ยินแล้วบ่ เมื่อได้ยินแล้วลองหัดทิ้งลองดูหัดฟางลองดูหัดปล่อยลองดูหัดทาหัดทำอะไรประมามันทําได้มันเจ๋งขึ้นมาได้อเอาพอครับสำหรับวันนี้อาจารย์ยยเพา่อยพระ